กราบบูชาพระธนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนก็กราบกระวะหลวงพ่อกลมครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรมายังไมช่ชีแล้วก็ อ, กอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะ วันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่ยี่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดถ้านับเวลาก็ถ้านับเป็นช่วงพรรษาก็เกือบครึ่งพรรษาแล้วนะสำหรับกลุ่มที่มาปฏิบตัติวันนี้ก็วันที่สี่ก็เป็นครึ่งทางเหมือนกันนะใน ส่วนของพระสงฆ์และก็ญาติโยมนะที่มาจำบรรษาก็ถือว่าเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะพวกเรามาปฏิบัติก็ครึ่งทางเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาทีนี้เวลาที่ผ่านไปเนี่ยนะเราน่าจะมาทบทวนดูว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดของชีวิตไหมนะในทางพุทธศาสนาเนี่ย มันมีประโยชน์อยู่3ระดับนะแรกคือประโยชน์เบื้องต้นนะก็คือการที่เราทำหากินนะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะมีเงินมีทองมีฐานะมั่นคงนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะที่ทุกคนนะก็คงเคยนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงนี้นะแล้วก็ได้ ทำกันมานะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหรือเป็นประโยชน์เบื้องต้นนะอันที่2ก็คือประโยชน์ที่เราได้ทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะทำบุญทํากุศลนะทำคุณงามความดีนะก็ทําให้เรามีความปลื้ม อ, อกปลื้มใจนะมีความสุขนะที่ได้จากการกระทํานั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าประโยชน์เบื้องหน้า นะเบื่องบางทีเขาบอกอมสมัยก่อนอนะจมาก็ไม่เข้าใจนะคิดว่าประโยชน์เบื้องหน้าก็คือไปชาติหน้าต่อเอาตายไปแล้วอะไรอย่างนี้อันนั้นก็คงจะใช่เหมือนกันแต่ว่าเอาปัจจุบันชัดๆนะนี่ก็เป็นประโยชน์เบื้องหน้าและประโยชน์สูงสุดนะก็คือการที่เรามาทําเรื่องของจิจตภาวนานะหรือการทากรรมฐานนะเพื่อให้ทําที่สุดแห่งทุก นะอย่างที่เราได้สวดมนต์ไปเมื่อสักครู่นีนะ้ระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำประโยชน์ในระดับไหนนะน่าจะได้ทบทวนกันนะแต่ว่า <c oughs> โดยส่วนใหญ่โดยความตั้งใจนะของคนที่มาที่นีนะ่ก็คงจะมุ่งประโยชน์สูงสุดกละแต่จะได้มากได้น้อยนะจะถึงประโยชน์สูงสุดหรือไม่นั้นนะก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนนะก็ต้องใช้ความเพียร นะความพยายามของตัวเองนะที่จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะของชีวิตนะการที่เกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเกิดมาแล้วได้มาเกิดในประเทศไทยอีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายอีกเหมือนกันนะเกิดมาในประเทศไทยแล้วได้มาเป็นชาวพุทธนะได้ทําบุญได้ <c oughs> รักษาศีลนะแล้วก็มาทําเรื่องของภาวนา นะก็คือการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้เองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะน้อยคนนักนะที่จะมีโอกาสได้มาทําเรื่องนี้ได้มาทําประโยชน์หรือมาทําสิ่งที่สูงสุดให้กับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพระาะฉะนั้นเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราเป็นบุญของพวกเรานะเป็นโชคลาภก็ได้นะอัตมารเรียกว่า คนที่มาวัดป่าสุขโตนี่เป็นคนโชคดีนะโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะเรื่องของกายเรื่องของใจนะซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดนะของพุทธศาสนาก็ได้นะทีนี้การที่เราจะทำเป้าหมายสูงสุดของชีวิตให้ได้นั้ น, นจำเป็นจะต้องอาศัยมีความศรัทธานะความศรัทธาเนี่ย นะเราก็มีศรัทธาในครูบาอาจารย์บ้างมีศรัทธาในสถานที่นะแล้วก็ศรัทธาในคำพูดคำสอนนะของท่านซึนะ่งตัวนี้เป็นตัวนำมานะหลายคนก็มาด้วยความศรัทธาถ้ามาด้วยความศรัทธาแล้วนะเราก็มีความเพียรลงไปนะเมื่อได้ยินคำสอนได้ยินคำพูดได้เห็นคนประพฤติปฏิบัติ เราก็ตั้งใจแล้วก็มีความเพียรความพยายามลงไปซึ่งความเพียรพยายามที่ว่านี้เพียรพยายามทำอะไรเพียรพยายามที่จะทำในเรื่องของการที่เราจะฝึกจิตฝึกใจของเราการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยในขั้นแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่มีตัวตนนะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ก็เพราะความเมตตานะ่ะแล้วก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์นะ่ะที่ท่านได้สืบทอดนะ่ะจากคำสอนของพุทธเจ้าและท่านได้ประพฤติปฏิบัตินะ่ะก็ถ่ายทอดมาอย่างพวกเราเพื่อที่จะให้เราได้ทำได้ปฏิบัตินะ่ะโดยเฉพาะการเจริญสตินะ่ะตามแนวสติปัฏฐานสนะี่น่ะที่หลวงพ่อเทียนนะ่ะท่านได้นำ มาสู่พวกเราในยุคนี้นะเมื่อประมาณ50บปีที่แล้วนะเป็นสิ่งที่ท่านพยายามที่จะประยุกหรือปรับนะให้เหมาะกับคนในยุคปัจจุบันคนในยุคปัจจุบันที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวนะจะต้องไปทำนู่นทำนีนะ่เราไม่สามารถที่จะไปนั่งนิ่งๆไปนั่งหลับตาได้ตลอดเวลานะเรียกว่าสังคมมันเปลี่ยนไป สมัยก่อนเมื่อ50ปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วเราเป็นสังคมกเกษตรกรรมชีวิตเราไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเรามีเวลาที่จะอยู่นิ่งๆนะที่จะนั่งหลับตานะที่จะทำภาวนาได้นะซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมาะกับยุคสมัยแต่ก็ไม่ได้ไหมายก็ว่าอันนั้นจะไม่เหมาะกับยุคนี้นะมันก็เหมาะเหมือนกันนะแต่ว่า <c oughs> เราก็มีรูปแบบอีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนเนี่ย ท่านะได้นำเสนอเอาไว้ก็นะคือการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวคนที่เพิ่งมาใหม่คนที่ยังไม่คุ้นกับวิธีนี้จะรู้สึกไม่ค่อยจะมั่นใจยังไม่มีศรัทธาว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรโนะดยเฉพาะคนที่มาใหม่เจอครั้งแรกเลยเนี่ยนะเราก็จะ ย, ย, ยังตั้งข้อสงสัย ย, ยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจ เพระนั่นตรงนี้ก็ทำให้การที่เราจะเรียนรู้หรือการที่เราจะปฏิบัติลงไปมันก็ไม่เต็มที่นะก็ยังยังติดค้างๆอยู่ในใจอยู่เหมือนตอนที่จะมาไปเรียนใหม่ๆ <c oughs> ก็เหมือนอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่า <c oughs> เราคุ้นเคยกับการที่ทำกรรมฐานแบบนั่งหลับตานะแล้วก็ <c oughs> มีความเข้าใจว่า การทำกรรมฐานก็คือทำให้จิตสงบไม่ต้องคิดอะไรนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะก็หลายคนนะก็คงจะได้ผ่านหรือได้คุ้นเคยกับวิธีการนั้นนะบางทีก็มีคำบริกรรมบ้างนะบางทีก็ไม่มีคำบริกรรมนะบางทีก็ใช้ลมหายใจมีคำบริกรรมใส่เข้าไปนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ในยุค ก, ก่อนๆนะท่านก็ได้นําเสนอ และพวกเราก็คงเคยได้ฝึกได้ผ่านมาบ้างแต่เมื่อเรามาพบวิธีการจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไม่ให้นั่งหลับตาด้วยนะให้ลืมตาด้วยนะเร้่ยงมาเดินมาเคลื่อนไหวอีกเนี่ยมันจะสงบได้อย่างไงนะสมัยที่เราจมาไปฝึกใหม่ๆก็เหมือนกันอย่างเนี้ยเหมือนกับพวกเราที่เริ่มต้นใหม่นะทีนี้อาศัยที่ว่าเรามีความศรัทธามีความเชื่อในครูบาอาจารย์ นะเราประเภทเรียนหนังสือมามากก็ชอบใช้ความคิดหาเหตุหนาะผลนะก็ไม่เชื่อง่ายๆแล้นะกว่าจะได้ปฏิบัติจริงๆก็เสียเวลานานมากนะแต่โชคดีนะว่าได้ไปเห็นพวกไม่ออกพ่อออกเนี่ยคนทางอีสานเนี่ยไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อบอกให้ทำอะไรเขาก็ทาเลยนะเขาไม่มาถามเลยว่าทำไปทาไมทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น หลวงพ่อบอกไงเขาก็ทําเลยเออเราก็ว่าเขาก็นิ่งๆสงบดีนะเขาก็เย็นดีนะไอเรานี่มาใช้ความคิดมากนะเลยไม่ได้ทำไม่โปร่งใจที่จะทําสักทีนะเรียกว่ามีความศรัทธาเงินแต่ยังไม่เต็มร้อยนะก็ยังสงสัยยังติดอยู่ในความคิดอยู่ใช้ความคิดที่จะเรียนรู้นะพยายามจดจําคําพูดมาแล้วก็เอาความคิดใส่เข้าไป หายเหตุหาผลเขาไปตรงนี้มันก็เลยไม่เริ่มต้นสักทีนาเรียกว่ายังไม่โปร่งใจนาที่จะปฏิบัติที่จะทำเต็มที่อันนี้แหละเป็นอุปสรรคของคนในสมัยใหม่ที่มาเรียนรู้เรื่องกรรมฐานมาเรียนรู้เรื่องการเจริญสติเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเรายังบัวสงสัยอยู่นะยังไม่ปร่งใจเนี่ยเวลามันก็จะผ่านไป เขเรียกว่าเวลาเนี่ยมันจะกืนกินตัวมันเองกืนกินชีวิตกืนกินสัมปัสส์ทั้งหลายมีเวลาอยู่เราก็เสียเวลาไปเราก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำสักทีหนึ่งหรือบางคนมานะโดยเฉพาะกลุ่มที่มาปฏิบัติครั้งเนี้ยเทนะ่าที่จะมาได้สังเกตก็มีบางคนก็ไม่ทราบนะว่ามาด้วยศรัทธาหรือว่าด้วยงานบังคับมานะทาไปทามาจัเบื่อก็หาเรื่องคุยกัน จับกลุ่มคุยกันนะตรงเนี้ยเสียเวลาแล้วล่ะนะคุณมาผิดสถานที่แล้วนะมาใช้เวลาให้สูญเปล่าไปนะมัวมาพูดมาคุยกันนะก็อย่างว่านะบางทีมันเบื่อมันก็ต้องหาเรื่องคุยนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็ให้พยายามนะงดซะนะแล้วก็พยายามตั้งใจอาจจะยังไม่ศรัทธาอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์นะแต่ว่า ไหนๆก็มาแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะกับตัวเองเถอะนะเราทําบุญเรารักษาศีลเราทําความดีมามากมายแต่เราก็ยังมีความทุกข์อยู่ถ้าเรามาทําเรื่องนี้ลองมาพิสูจน์ี่ว่าสิ่งที่พทธเจ้าบอกว่ากระทําให้แจ้งที่สุดแห่งทุกเนี่ยมันมีจริงไหมนะแต่ก่อน โดยเฉพาะคนสมัยนี้ไม่เชื่อหรอกว่าพระพุทธเจ้ามีไม่เชื่อหรอกว่าจะทําให้ดับทุกข์ได้หรือก็ยกให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าไปยกให้เป็นเรื่องของพอระอรหันต์ไปเราไม่เกี่ยวเราเป็นคนในโลกนะไปแยกโลกแยกธรรมซะคนสมัยก่อนนี่เขาไม่แยกหรอกโลกกับธรรมมันก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าทําไปตามความาพยายามาตามศักยภาพของตัวเอง นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้คนที่ยังไม่ศรัทธาเนี่ยนะได้วางใจเปิดใจแล้วก็ลงมือทําทีนี้ลงมือ ท, ทอําทํำยังไงการเจริญสตินะตามแนวเคลื่อนไหวที่หลวงพ่อเทียนได้นําเสนอไว้เนี่ยมันจะแตกต่างไปจากวิธีการที่เราได้คุ้นเคยก็คือเราไม่นั่งหลับตาเราลืมตาแล้วก็เน้นให้เคลื่อนไหวเราไม่นั่งนิ่งๆนะทําไมต้องเคลื่อนไหวทําไมต้องลืมตา ชีวิตประจำวันของเรามันลืมตามันไม่ได้หลับตาเว้นแต่เรานอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหล ะ, ะเผชิญกับความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงนะแล้วก็ <c oughs> ที่เราต้องเคลื่อนไหวที่เราไม่นั่งนิ่งๆเนี่ยก็ดเด่ที่ว่าการที่เราจะเรียนรู้เรื่องใจเนี่ยนะมันต้องอาศัยผ่านทางกายเข้าไปนะ อาศัยการเคลื่อนไหวนี่แหละเป็นตัวที่จะปลุกความรู้สึกตัวจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยเรามีกันทุกคนแต่ที่มีเนี่ยมันไม่พอใช้นะเรารู้นะความโกรธไม่ดีความหงุดหงิดไม่ดีแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้นะเวลาได้ยินอะไรใครพูดมาไม่ถูกหูนี่เราปลื้ดขึ้นมาทันทีหรือใครมาทาอะไรที่เราไม่พอใจเราโกรธขึ้นมาทันที เราเรียกว่าสติมันมาไม่ทันนะสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาไม่ทันเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มันทันก็ต้องฝึกฝึกให้มันเร็วให้มันไวการฝึกให้มันเร็วให้มันไวก็คือมาเคลื่อนไหวนี่แหละแต่ก่อนเนี่ยาการนั่งหลับตาเราจะใช้ลมหายใจลมหายใจนี่ก็เป็นกายชนิดหนึ่งก็อาศัยการเคลื่อนไหวของกายนั่นแหละการเคลื่อนไหวของกายเพื่ออะไร เพื่อจะเรียกใจที่มันเคยหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะที่อาจารย์ทวงศิลมีสูตรบอกว่าใจมีสติอยู่กับกายนั่นะนะอันนี้ก็คือการที่เรียกใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคนที่มีใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือคนที่มีอ่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเรียกขวัญกลับมาเราไม่ต้องไปให้มอขวัญก็มาเรียกเราเรียกกลับมา ทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวนั่นแหละก็คือการเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคนที่มีความทุกข์คนที่ตก อ, อกตกใจคนที่ขวัญไม่ดีขวัญเสียนะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองเพราะนั้นการที่เรามาเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเรียกใจที่มันเคยคุ้นชินหรือมีนิสัยที่จะไป ตามอารมณ์ตามความคิดนะต่างๆนาะนาะจะเป็นเรื่องในอดีตก็ตามเรื่องในอนาคตก็ตามนะอันนี้เราก็เรียกใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวนะมีความรู้สึกตัวแรกๆเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยรู้หลักนะเพราะว่าเราเคยชิน กับการใช้ความคิดนะวันก่อนก็มีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งก็มาถามว่าอาจารย์เวลาเราเดินเนี่ยเราบอกไปด้วยได้ไหมว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวอะไรเงี้ยหรือบางคนบอกคิดให้มันรู้สึกตัวได้ไหมอาตมาก็เลยบอกว่าเราจะไปทําอะไรให้มันยุ่งยากเล้วเดินลงไปสัมผัสกับพื้น่ะมันรู้สึกตัวตรงๆแล้วทําไมต้องไปท่องทําไมต้องไปคิดนะ ทำง่ายๆอ่ะนะธรรมะนี่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ยากอย่างที่เราคิดหรอกมันเป็นเรื่องง่ายๆตรงไปตรงมาแต่เพราะว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกับความคิดอะไรซับซ้อนมันก็เลยยากเนี่จริงๆธรรมะนี่ไม่ยากหรอกนะเราใช้สิ่งที่เราเคยเรียนรู้ตั้งแต่สมัยเด็กๆการสัมผัสหยิบจับต่างๆเนี่ยเราไม่เคยได้ใช้ความคิดหรอก จับมันแข็งมันอ่อนมันร้อนมันเย็นสิ่งเนี้เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการเรียนรู้มาตั้งแต่เล็กแล้วแต่พอเราเข้าระบบการศึกษาเนี่ยเขาให้เราคิดคิดหายเหตุหาผลคิดนู่นคิดนี่มันเลยคุ้นไงพอเรามาเรียนรู้ธรรมะมาทำกรรมฐานเราก็ใช้ความคิดอีกอะ่ะคิดจะรู้คิดจะรู้สึกตัวตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เป็นเป็นเรื่องยากขึ้น จริงๆเราสัมผัสลงไปหรืออย่างขณะที่เรายกมือเนี่ยเราพลิกมือเราก็รู้สึกยกก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกรู้สึกตัวอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้นอย่าไปแยกแยะว่าเอ๊ะมันรู้อย่างไงมันรู้กี่ลักษณะจะช้าหรือจะเร็วไอ้นั่นมันใช้ความคิดล้รู้แค่รู้สึกรู้บ้างไม่รู้บ้างใหม่ๆรู้บ้างเผลอบ้างแต่กลับมารู้ให้ได้บ่อยๆอย่าไปรู้แบบจี้ให้มันรู้ตลอดเวลา อันนั้นมันจะเครียดมันจะมึนนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามให้สังเกตนะเพราะฉะนั้นรู้บ้างเผลอบ้างแต่กลับมารู้ให้ได้บ่อยๆกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆการเจริญสติการทํากรรมาฐานเนี่ยถ้าเราใช้ความคิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราสัมผัสรู้ลงไปตรงๆใช้การรู้สึกตัวกับการเคลื่อนการไหว จะยกมือก็ดีจะเดินจงกรมก็ดีให้รู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวให้รู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆในที่นี้ก็คือมันรู้บ้างเผลอบ้างแต่กลับมารู้กลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆตรงเนี้ยทาตรงเนี้ยทาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะมันจะเกิดนิสัยใหม่นะก็เรียกว่านิสัยแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนเรามีนิสัยที่จะหลงไปกับความคิดนะคิดโน่นคิด น, น, ดนี่พอมันคิดมันก็ พาเราไปเราหลงไปนานและตั้งแต่เกิดมาเลยหรืออาจไม่รู้ตั้งแก่กี่ชาติไหนแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่ให้เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวทีนี้การสร้างนิสัยใหม่เนี่ยมันต้องทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะการทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นกันทําอะไรซ้ําๆำซากๆเราจะเกิดความเบือ่อตรงนี้แหละ มันจะทําให้เราไม่อยากทำํำนะแต่ก่อนเราคิดว่ามาทํากรรมฐานเนี่ยนะมันต้องนั่งนิ่งๆเย็นสบายสงบไม่ต้องคิดอะไรแต่พอมาปฏิบัติแบบนี้อะไรกันมาวันแรกง่วงแทบตายบางคนนะเห็นบางคนโอ้โหสะพัปปงงบแล้วสะพังงบอีกยกที่หนึ่งหลับไปแล้วลุกขึ้นมาใหมย่ยกที่สองหลับไป ล, ลุกขึ้นมาใหม่ เอ๊มันไม่ใช่แล้วมั้งไม่ถูกกระจัริดนิสัยแล้วแล้วมั้งเออไปคิดอย่างนั้นนี่บางคนก็ท้อเลยเมื่อวานมีอยู่ค น, นมาคุยฟังอาจารย์หนูไม่รู้เป็นไรเบรื่อจริงเลยทอ้อจะไหวไหมเนี่ยเมื่อวานเพิ่งวันที่สามนะก <c oughs> <c oughs> ็เลยพูดในกําลังใจบอกไม่ต้องไม่เป็นไรอาตามาเคยเป็นแบบนี้แหละไปฝึกใหม่ๆเนี่ยวันแรกมันปดวดรวดเล้าทั้งตัวเลยนะง่วงก็ง่วงเดินขนาด เรียกว่าหลับกลางอากาศยังมีเลยบางทีเดินไปชนต้นไม้ยังมีเลยมันหลับในอะ่ะขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะเราคิดว่าโอโ้มาแล้วเย็นสบายไม่ต้องคิดอะไรไม่มีความทุกข์ไอ้นั่นนะมันเป็นผลบั้นปลายแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องผ่านความยากลําบากก่อนเขาบอกทาง <c oughs> ทางไปสวรรค์เนี่ยมันลกนะ แต่ทางไปนรกเนี่ยมันโล่งดัะนั้นการปฏิบัติเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันจะยากลําบากหน่อยนะสําหรับคนที่อาจจะยัง เ, เรียกว่าอินทรีย์ยังไม่แก่ก้าพอนะเราก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามความอดทนนะเล่นลุกตื่นมันจะนอนมันจะหลับเราไม่หลับปลุกตัวเองให้ตื่นความง่วงมันพยายามทําให้ตาเราหลีลงเราตาโตใส่มันเลยนะ พอมันง่วงปุ๊บมันหายใจอ่อนลงไปเบาหายใจสูงกึนไปแรงๆเลยเรียกว่าทวนกระแสขึ้นไปเลยปลุกตัวเองให้ตื่นอันนี้เขาเรียกว่าพุทธศาสตร์ไม่ใช่สัญชาติสัยศาสติคือนั่งนิ่งๆิ่งสงบสบายไม่เอาอะไรเลยนะตรงนั้นเนี่ยนะมันทําให้ขี้เกียจขี้คล้านและบางคนเนี่ยไปติดสงบนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนอยู่ในถ้ำมันมืดมันไม่เห็นอะไรนะเราต้องออกมาจากถ้ำ การออกมาจากท้ำก็คือเราตื่นตัวแตนะ่บางทีเรานั่งสร้างจังหวะช้าๆเนี่ยมันง่วงเราก็ทําให้มันเร็วขึ้นนะหรือบางทีนั่งแล้วมันสู้ไม่ไหวลุกเดินเลยนะมีบางคนนั่นนั่งยกมือเนี่ยยกไปยกมายกไม่ไหวก็มาลึงนิ้วมือเล่นปทัทโธมันจะไปสู้ได้ไงความง่วงอะ่ะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นเลยเดินเลยนะนี้ก็ต้องแก้อารมณ์ไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข นะอย่าไปยอมจำนนกับมันความง่วงความเบื่อนะความฟุ้งซ่านนะอันนี้เจอทุกคนบทเรียนเบื้องต้นเลยสำหรับคนที่ฝึกกรรมาฐานไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะจะเป็นนั่งหลับตาก็ดีเคลื่อนไหวก็ดีมันจะต้องเจอนะความปวดความเมื่อยนะอันนี้เป็นธรรมดาที่เขาแสดงตัวออกมาให้เราเรียนรู้เพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะนี่ไม่ต้องไปเรียนภาษาบาลงบาลีให้มันวุ่นวาย ไปอ่านหนังสือธรรมะหลายๆเล่มเพื่อจะได้เข้าใจนะอ่านลงไปตรงกายตรงใจเราเนี่ยหนังสือเล่มที่สําคัญที่สุดที่แท้จริงที่สุดอยู่ที่กายที่ใจของเราหลวงพ่อเทียนไม่เคยได้เรียนหนังสือท่านไม่รู้หนังสือแต่ท่านอาศัยความเพียรความประฏิบัตความตั้งใจของท่านนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยกายด้วยใจ และเมื่อวานเราฟังหลวงพ่อคำเขียนก็จะสังเกตได้ว่าท่านก็พูดเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยอันนี้เป็นตำาราเล่มใหญ่เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยนะอาจจะสงสัยยังไม่แน่ใจไปหาหนังสือมาอ่านอ่านแล้วอ่านอีกแต่ไม่เคยอ่านกายอ่านใจของตัวเองแตนะ่ตรงนี้ว่าจะสงสัยไปตลอดสมัยก่อนต่อมาก็เป็นเงนชอบอ่านหนังสือเป็นเงินอ่านแล้วอ่านอีกเอ๊ะมันว่าอย่างไงนะมันที่สุดอย่างไงมันถึงที่สุดอย่างไงมันไปถึงไหน คือเราอยากจะรู้ล่วงหน้ามันไปอย่างไงตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะไปรู้ได้ก่อนที่มันจะเกิดการปฏิบัติเนี่ยภาวะที่มันพ้นมันหลุดเนี่ยมันเกิดก่อนแล้วถึงรู้ถ้าเราไปอ่านหนังสือแล้วเรารู้นั่นคือเราจําำกาเรียกว่ารู้จํารู้จําเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะบางคนคิดว่ารู้แล้วแต่ไปจํามาตัว กับผมนิธามาก็เคยแบบนี้เหมือนกันเข้าใจว่าเราอ่านแล้วเรารู้หมดเลยเราเข้าใจหมดเลยเราบรรลุแล้วเราถึงที่สุดแล้วแต่พอเราไปเจอคนมาพูดไม่ถูกใจ้ะนั้นอะ่ะหงายหลังเลยโอ้เนี่ยคือของจริงเพราะนั้นของจริงนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองอย่าไปใช้ความคิดมากการปฏิบัติเนี่ยใช้ความรู้สึกตัวลงไปความรู้สึกตัวจะเป็นเครื่องมือนาพาที่จะให้เราผ่านอารมณ์ต่าง เดียวเพราะเบื้องต้นคือความง่วงความเบื่อความฟุง้งนซะ่านความสงสัยลังเลต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเป็นตัวผ่านเพราะฉะนั้นการกระทําในรูปแบบนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะ ก, ก็ดีผู้ที่มาเข้าคอเจ็วันเนี่ยเรามีเหลือเวลาอีกแค่3วันเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยขอให้เป็นเวลาแห่งการเจริญสติ ในรูปแบบให้เต็มที่ทีนี้การเจริญสติในรูปแบบเนี่ยนะเป็นส่วนที่จะทำให้เราเห็นความชัดเจนนะแล้วก็มีความเข้มข้นแต่เมื่อเลิกแล้วอย่าทิ้งต้องทำต่อเขาเรียกว่าการเจริญสตินอกรูปแบบนอกรูปแบบคืออย่างไงอย่างในกลุ่มเนี่ยพอได้ยินเสียงมงมงงคิดว่าหมดยกแล้วเหมือนนับมวยหมดยกอะ่ะ สบายเสร็จแล้วก็เดินรี่เข้าหากันเลยนะคุยกันเลยนะนั่นนะสิ่งที่คุณฝึกมานะ่ะมันหายไปทันทีเลยสติที่คุณฝึกมาสามสี่ชั่วโมงหายฟุบไปเลยซึ่งเรื่องน่าเสียดายมากเพระาะฉะนั้นจะสังเกตไหมว่าครูบาอาจารย์ยจะบอกพอเลิกปุ๊บต่างคนต่างไปเดินไปเลยไม่ต้องไปจับกลุ่มคุยกันโดยเฉพาะคนที่รู้จักกันมากมากเนี่ย เดินหนีห่างเลยเราให้เวลากับตัวเองกับเรื่องนี้เต็มที่ไอ้คุยกันเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่ทํางานมันก็ได้คุยกันอยู่แล้วนะตรงเนี้ยะฉะนั้นเราเก็บตกเลยเดินไปก็รู้สึกกับการเดินไปนะไปกินข้าวไปรับทานนะทำอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะใส่ใจที่จะรู้สึกตัวตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดความต่อเนื่องสติเนี่ยถ้าทําแล้วไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเกิดผลน้อย เขาบอกเหมือนกับเอาไม้มาสีกันเนี่ยสมัยก่อนก็าใช้ไม้สีกันให้เกิดไฟถ้าสีกันได้ที่อย่างต่อเนื่องมันจะลุกเป็นไฟสติหรือความรู้สึกตัวก็เหมือนกันมันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะต้องทำให้ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบตั้งแต่ตื่นยันหลับชีวิตที่เราอยู่เนี่ยให้ทำต่อเนื่องเพระนั้นอย่าไปให้ความสาคัญแค่ในรูปแบบเท่านั้น นอกรูปแบบในชีวิตประจำวันจะแปลงฟันจะล้างหน้าจะเข้าห้องน้ำใส่ใจกับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวกับสิ่งที่เราทำอยู่เฉพาะหน้านั้นแม้ขณะที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าใครง่วงก็พยายามปลุกตัวเองตืง่นขะึ้นมานะนั่งนิ่งๆบางทีใจมันลอยก็เคลื่อนไหวซะหรือบางคนอาจจะใช้ลมหายใจก็ได้นะคืออย่าอย่าไปสงบนิ่งดิ่งจมดื่มดากับความสงบ ตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนิ่นช้าคนที่ติดอยู่ในความสงบเนี่ยมันจะเนิ่นช้าเหมือนเราเดินทางเนี่ยเดินทางไปกลางทางเราไปเจอสระน้ําเย็นสบายเราก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นเราไม่ถึงปลายทางแตเพราะฉะนั้นคนที่จมดิ่งอยู่ความสงบเนี่ยมันก็จะทําให้เนิ่นช้าเพราะฉะนั้นปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องความต่อเนื่องตรงนี้นะก็จะทําให้สติของเราเนี่ยตื่นเต็มที่เมื่อสติมันตื่นแล้ว มันจะทํางานของมันเองมันจะเห็นกายที่เคลื่อนไหวนะแล้วมันจะไปเห็นใจที่นึกคิดการปวดการเมื่อยเนี่ยเป็นอาการของกายที่เขาแสดงออกมาเราก็รู้นะแต่ก่อนเราไม่รู้เนี่ยมันปวดมันเมื่อยเราก็มีตัวเราเข้าไปเราก็รู้สึกหงุดหงิดเราไม่พอใจแต่เมื่อสติมันตื่นเราเจนว่าโอ้มันก็ปวดเมื่อยมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนะนะมันร้อนมันเย็นมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนะนะ มันเจ็บมันไข้มันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนะแต่ใจของเราเนี่ยไม่เข้าไปเรียกว่าไม่มีตัวมีตนในมันนะก็คือเราไม่ใช่เป็นคนที่เข้าไปเจ็บไปปวดมันเป็นอาการของมันอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของมันอย่างน้นเองซึ่งอันนี้มันเป็นทุกโดยธรรมชาตินะที่มันมีอยู่แล้วคนเราเกิดมาก็มีทุกแต่ไอ้ทุกที่เป็นปัญหามากก็คือเราไปยึดไปติดไอ้ตัวเนี้ยถ้าสติมันชัด ปัญญามันรอบรู้เนี่ยมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ออกมามันจะเกิดการปล่อยวางปล่อยวางแล้วไม่ได้ไหมายว่าจะหายปวดหายเมื่อมันยังปวดยังเมื่อแต่ใจของเราปล่อยวางได้นาใจของเราไม่เข้าไปเกาะแกะกับมันเรียกว่าเป็นอิสระเมื่อใจเป็นอิสระเนี่ยมันจะแสดงความเป็นปกติออกมาใจปกตินี่แหละนาเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองนาให้เราเนี่ย มีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะที่เราเป็นทุกข์เพราะใจเราไม่ปกติเราไปทุกข์กับความปวดความเมื่อยความเจ็บความร้อนความหนาวนะตรงเนี้ยเพราะว่าใจของเราเนะี่ยไปยึดไปถือไปเพราะมันไม่รู้เพราะมันหลงนะเพราะมันไม่มีสติเพราะมันเผลอนะนี่เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนะที่เราได้ฟังกันตอนเช้าตอนเย็น เพราะนั้นการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวก็ดีด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยมีจุดประสงค์ตรงนี้ที่จะให้เรากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวแล้วไม่หลงไปกับความคิดไม่หลงไปกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะจะเป็นสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจก็ถามตรงเนี้จะเป็นการถอนความพอใจและไม่พอใจออกจากโลกเสียได้นะที่เราได้สาธยายมนกันไปเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยให้รู้ที่กายบ่อยๆ เมื่อลุกควาบยบ่อยๆมันจะเข้าไปเห็นความปวดความเมื่อยความพอใจไม่พอใจแล้วมันก็จะเห็นตัวคิดที่มันคิดนึกซึ่งมันไวมากความคิดไวที่สุดแต่มีสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาทำนี่ก็คือหาตัวที่จะเป็นเครื่องมือาที่จะให้เท่าทันความคิดเท่าทันกับอารมณ์เพราะนั้นตรงนี้แหละเป็นจุดสาคัญ ต้องอาศัยทำต่อเนื่องทำบ่อยๆมีอะไรมาทำทักท้วงให้เราไม่พยายามทำพยายามฝืนมันแรกๆยังไม่มีสติก็เอาขันติไปก่อนอดทนไปวันนะพยายามในเวลาเดียวกันเราก็ดูดูด้วยนะว่าหนักไปเบาไปอาจจะเพ่งหนักไปแล้วก็ผ่อนคลายหรือถ้าเผลอเกินไปล้วก็เพ่งลงไปนะอันเนี้ยมันไม่มีใครบอกได้นะอย่างบางทีบอกว่าให้ทำใจกลางๆนะ ให้หวางใจกลางๆนะไอเนี่ยมันพูดได้นะแต่เวลาทำเนี่ยมันไม่รู้จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเพ่งบ้งเผลอบ้างเพ่งบ้างเผลอบ้างเดี๋ยวมันลงป๊อกตรงกลางมันเองซึ่งอันั้นมันจะต้องเกิดจากการฝึกทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเราเพียงแค่ฟังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเกิดภาวะนั้นได้จะต้องทําและปฏิบัติลงไปถือว่าลองผิดลองถูกเอาครูบทเรียน ความผิดความถูกนั่นเป็นครูครูที่แท้จริงคือตรงนี้เพระาะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเวลาเรามีไม่มากเรามีอายุไม่ถึงร้อยปีแล้วก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะตายหรือจะยังอยู่เพระาะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดประโยชน์สูงสุดที่เราจะทําก็คือการทําเรื่องของความสิ้นทุก์เนี่ยให้มันแจ้งให้มันปรากฏกับตัวเราเองขึ้นมาและ เราก็มีเครื่องมือแล้วเรามีรูปแบบวิธีการแล้วลงมือทําเลยอย่าไปมัวสงสัยลังเลไม่แน่ใจนะลงมือเลยจะผิดจะถูกไม่เป็นไรลุยไปก่อนแล้วถ้าทําแล้วมันทอดแท้ขึ้นมามันไม่ไม่มีกําลังใจก็ จ, จะมาถามครูบาอาจารย์ถามกัลยาณมิตรที่เคยผ่านเส้นทางนี้มันก็จะทําทให้เรามีกําลังใจขึ้นมา นะตรงนี้ก็จะช่วยกันเพราะนั้นการที่เรามาอยู่รวมกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะที่จะส่งเสริมสนับส น, นุนให้เราเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งทุกนะโดยโดยทั่วกันนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาศัยบรรยากาศในการเข้าบรรษาหรือในการที่มาเข้ากลุ่มนะในการมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยอย่าไปทาเรื่องอื่นที่มันจะไม่ส่งเสริมเรื่องนี้ โดยเฉพาะการพูดการคุยการคุกคีกันมากเกินไปแต่ไม่ได้หมายว่า จ, จะไม่ให้พูดเลยนะพูดน้อยๆเท่าที่จําเป็นนะแล้วก็การคุกคีการการจับกลุ่มคุยการการอะไรเนี่ยพยายามห่างๆเว้นแต่ว่ามีเรื่องที่เราจะต้องช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันไปอันนั้นก็เป็นไปตามความเหมาะสมนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้เพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอให้พวกเรา และได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตตามหลักพุทธศาสนาก็คือทำที่สุดของทุกให้แจ้งในชีวิตนี้โดยชั่วหน้ากันเติอนเจริญพร